Book 2สี่สิบสิการสอบถามทางขอโทษครับช่วยผมทีได้ไหมครับมทีได้ไหม ท่านี้มีร้านอาหารดีๆไหมครับเลี้ยวซ้ายที่หัวมุมครับรต่อจากนั้นตรงไปอีกนิดครับ ต, โโรต่อจากนั้นเลี้ยวขวาแล้วไปอีกหนึ่งร้อยเมตรครับ คุณสามารถไปด้วยรถเมล์ก็ได้อ a, a u t a o b u s m คุณสามารถไปด้วยรถรางก็ได้มอ e l e t r i c z k คุณขับรถตามผมไปก็ได้มัวเจเทอ jednoducho ai z a m n ou.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 ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาตรงถนนแรกครับต่อจากนั้นขับตรงไปเรื่อยๆผ่านสี่แยกถัดไปขอโทษคร o บผม r ะไปสนามบินได้ k r ่างไรครัขอโทษครับผมจะไปสนามบินได้อย่างไรครับ วิธีที่ดีที่สุดคือไปโดยรถไฟใต้ดินนายหลับสียบุญเยอะอักพัวยี่เซ่เมตรออกที่สถานีสุดท้ายกรกรุณาไปที่ www. b o o k t o de